พอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทงทลายารพระร่มปปติยาณได้นำเสนอเรื่องสมาสมาธิก็ได้เข้าไปในสามัญญผลสูตรในสามัญญผลสูตรคือตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่พระเจ้าอาจารยสตรู แต่เป็นการตัดตอนเอาเฉพาะช่วงของสมาธิเปลนว่าดยผลของสมาธินั่นเองก็ข้อความที่ได้กล่าวไว้จนมาถึงอสวกยานเนี่ยเวลาทรงแสดงที่ธรรมาจั ก, กรวัตนาสูตรนั้นข้อความไม่มากคือหลังจากแสดงอริยมรรคมีองค์แปป ร, ระการจก จบแล้วก็รับสั่งว่าบุคคลภิกษุทั้งหลายอันนี้แลข้อปฏิบัติซึ่งเป็นกลางนั้นที่ตถาคตได้จัดสรุแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทําดวงตาทําญาณเครื่องรู้ต<ม>้องเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบประงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีแล้วก็เพื่อความดับก็หมายความมาเพื่อนิพพานนั่นเอง คำว่าดวงตานั้นก็หมายถึงญาณซึ่งเกิดขึ้นภายในพระไทยของพระองค์ก็เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นตามระดับขั้นตอนที่กล่าวไว้ในสามัญญผนสุขเรียงมาจากอนาปานสติเป็นต้นมานะครับแล้วจนมียานเกิดขึ้นคือผุดขึ้น โดยความสมบูรณ์พร้อมของอรยมรรคในองค์แปดประการนมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าสัมมาญาณนะคือความรู้ในทางที่ชอบขึ้นเพราะจากความรู้ในทางที่ชอบมันก็เป็นสัมมาวิมุตติคือจิตหลุดพ้นในทางที่ชอบตรงเนี้ยเป็นข้อความเดียวกันเพราะด ว, วงตานั้นท่านจำแนกแสดงไว้เป็นห้าประการอย่างที่เราสวดสรรเสริญ พระพุทธคุณในบทสวดสมัยเป็นเด็กนะฮะพร้อมเบนจะพิจารสุจริตปิมนสเห็นเหตุที่ใกล้ไกลก็เจนจบประจักษ์จริงจะสู่ห้าก็คือหนึ่งมังสะจากสักษุตาเนื้อธรรมดาเนี่ยแต่ตาเนื้อของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นตาเนื้อชี่ชัดเจนแจ่มใสไม่พร่ามัว ตอนประชนยังยาอยู่เป็นยังไงตอนประชนพรรษาแปดสิบก็พระเนตรเขาเป็นยังไงคราวนี้รับสั่งแสดงว่าเป็นอนิสงของการให้ทานคือบริจาคดวงตาเป็นทานหลายพบหลายชาติในสังสารวัฏเพียงก็ทำให้พระงมีคุณสมบัติพิเศษคือตาผ่องใสไม่พร่ามัวไม่ขุนมัว ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยในตามปกติแล้วคนเราอายุมากนั้นดวงตามันชักจะพราหมัวแต่พระเจ้าโดยอาศัยบุญกุศลที่ทรงบริจาคดวงตาไว้เนี่ยดวงตาก็ไม่พราวมัวก็ต่อไปคือปัญญาจากสุขได้แก่ดวงตาปัญญาเป็นความรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นวิยาพจน์กันแล้วนะฮะตรงเนี้ยคืหมายความว่าเป็นความรู้ในเรื่องเดียวกันแต่เรียกกันหลายเนยยะเดียกันทิพยจักษุเป็นตาทิพตาทิพนั้นใช้มองในกรณีที่สองกรณีกรณีหนึ่งก็คือมองดูอุปนิสัยของสัตว์ทั้งหลายที่จะเสด็จไปโปรดโดยใช้ทิพยจักษุร่วมจักษุวิสัยของมนุษย์เหมือนกัน แลมองดูความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนสัตว์ทั้งหลายทั้งจุติทั้งอุ ป, ปบัติที่เปลี่ยนแปลงไปตามกรรมคนบางพวกประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจตีเตียนพระเดจเจ้ามีความเห็นผิดเรวก็ยึดถือในความเห็นผิดัวนั้นอย่างเอาจริงก็จังตายไปแล้วก็บังเกิดในทุกติปิณิบัตินรกส่วนคนที่จเจริญกุศล กายสุจริตวจีสุจริตปโนสุจริตมีความเห็นชอบให้ติเพียนพระเจ้าแล้วประยึดถือมั่นในความเห็นนั้นชอบนั้นปรทาให้ท่านเห็นชอบคิดชอบพูดชอบทำชอบตามไปด้วยผลสุจริตต่างกายต่างว่าจ่างใจนั้นที่จริงมันสะท้อนไปจากจิตที่มีความเห็นชอบคนเ่านี้ตายไปแล้วก็จะบังเกิดในสุคติ โลกสวรรค์กระสงใช้ทิฏฐิจักสุคือในแนวเนี้ยใช้ทิฏฐิจักสุเรียกพยานก็ได้นะเรียกว่าจุตูปาปาตยานคือยานที่รู้การจุติการอุปัตยาของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็พุทธจักสุเป็นจักสุของพระพุทธเจ้ามีความละเมียดละไมลึกซึ้งอย่างรู้อะไรได้วิจิตพิสดารเช่นสมมตอิอุปนิสัยของคนเนี่ย คือพระมหาสาวก ท, ที่รองมาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยคือภาษาริบุตรแต่ก็มีบ่อยครั้งที่ภาษาดิบุตรไม่สามารถสอนลูกศิษย์ตัวเองได้ต้องนาํามาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างภิกษุใหม่รูปหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของภาษาริบุตรเป็นหนุ่มรูปงามแล้วก็เป็นบุตรในช่างทองภาษาริบุตรท่านก็มองว่าเด็กหนุ่มเด็กสาวมันก็ต้อง ให้ศึกษาเรื่องความปฏิกูลน่าเกลียดสกปรกของร่างกายก็ให้กรรมฐานพวกอสุภกรรมฐานพวกป่าช้าพวกตัวร่างกายผมขนเละบฝันหนังโดยสีโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยการชุ่มแช่โดยผุโพโลหิตต่างๆเนี่ยแต่ท่านอึดอัดจำคาท่านสะอิดสะเอียนท่านขยะขยงไปคิดอย่างนั้นแทนที่ใจจะสงบใจท่านฟูงใหญ่เลย แก้ไขยังไงก็แก้ไขไม่ได้ตอนนำออกเฝ้าหลวพุทธเจ้าพุทธเจ้าทรงใช้เวลาสั้นๆไม่ถึงครึ่งวันเนี่ยให้ภิกษุรูปนั้นบรรลุมรรคผลเป็นพระหานได้และวิธีการไม่เหมือนกับภาษาริบุเป็นลักษณะเอาหนามยอกหนามหรือหนามบงหนาม เธเป็นคนหนุ่มคนสาวรักสวยรักงามก็ให้นั่งบัวดอกบัวดูดอกบัวทองคําซึ่งส่งนิรมิตขึ้นมาเนี่ยให้นั่งดูเป็นศิละปะที่สวยงามหยดย้อยพลิ้วเหมือนกับเป็นดอกบัวจริงๆท่านก็เพ่งมองด้วยความดื่มดำ่ำซาบซึ้งเพราะตัวเองเป็นช่างเนี่ยฮเห็นช่างมาเลยเห็นงานช่างที่มีฝีมือเหนือกว่าตนเองก็ซาบซึ้งตื่นเต้นจนจิตใจสงบอยู่กับดอกบัว พระเจ้าทรงมันดาเนือพุท ธ, ธานุภาพาไปดอกปัวเริ่มเขียวเฉาตงไปโดยลำดับและในสุดท่านก็มองเห็นไตลักไปตามดอกบัวเห็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปการแปรผันไม่คงที่การแปรปรูนเปลี่ยนแปลงของดอกบัวไปเรื่อยๆจนกลายเป็นร่วงโรยลงไปหมดเลยน้อมกมาหมากายตน น้อมตนก็ไปหาดอกบัวเห็นกายตนกับดอกบัวนั่นอยู่ในฐานะอย่างเดียวกันคือเกิดขึ้นนั่งอยู่แล้วกระดับไปในสุดก็เกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจะเดินมีวาสนาบรรลุมรรคผลเป็นพระหานได้คนพุทธจักสูเนี่ยเป็นจักสูที่พิเศษเหนือจักสูของภาษาวกทั้งหลายแล้วสมันตจักสูก็หมายถึงพระสัพพัญญุตญาณ ที่ได้ท่งจัดสรูพระนุตรสมาสมโพธนะิญาแปลว่าจากสุรอบด้านแล้วก็เกิดเป็นญาณเครื่องรู้ขึ้นมาก็ขจัดตัวอวิชชาคือความไม่รู้ออกไปตดยประยายหนึ่งเราอาจจะพูดว่าขาจัดอวิชชาคือความไม่รู้ในอริยสัทสี่ ในอนดีตในอนาคตทั้งอดีตอนาคตในกฎของปัจจัยการก็ได้ก็มีนัยยะเช่นเดียวกันแล้วก็ย่อมเไปเพื่อความส ง, งบในที่นี้ก็คือส ง, งบจากกิเลสเป็นคุณลักษณะของนิพพานนะคือความส ง, งบความสุขความส ง, งบความเยืกเย็นเนี่ยเป็นลักษณะของนิพพาน มันเป็นภาษาที่สื่อสารได้แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สัมผัสไม่ได้นอกจากท่านที่เข้าถึงนิพพานเนาะมันสงบยังไงมันสุขยังไงมันเย็นยังไงในเรา อ, อธิบายไม่ได้นอกจากว่าท่านเหล่า น, นั้นจะสัมผัสดโดยตัวของท่านเองเพราะฉนั้นท่านที่พระผู้มีพุทธเจ้าได้ทรงประสบมาเนี่ยมันเป็นการขาจัด กคยจัดมานด้วยนะฮะพร้อมเบญญาพิจารจาสุจริตพิมลสายเหนเดที่ใกล้ไกก็เจนจบประจักษ์จิงกรรมจัดน้ำใจหยาบสันด า, บานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาละบาบาเพ็ญบุญหมายความว่าในดวงตาที่เพิ่มขึ้นยานที่เพิ่มขึ้นมันก็จับสิ่งที่ส่งกันขํากับดวงตากระยาออกไป นั่นคือความมืดปอดในด้านเหตุผลสติปัญญาพูดง่ายๆว่าขาจัดอวิชชาออกไปอย่างที่ทรงแสดงอวิชชาเกิดขึ้นอวิชชาดับไปเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วความมืดก็าหายไปสภาพพระทัยของพระองค์ก็อย่างที่กล่าวไว้ในวันก่อนโน้นที่ว่ามีจิตตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราชจากกิเลสเป็นจิตอ่อนควรแก่การงานมีความตั้งมั่นพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อเกิดความรู้อย่างนั้นอย่างนั้นงั้นความรู้ก็เกิดขึ้นตามที่ปรารถนาเพราะเมื่อความรู้เกิดขึ้นแล้วไอ้กิเลสทึ่งตรงนันข้ามกับตัวรู้เนี่ยหมายความว่าอาวิชชาทึงตกงา น, นข้ามกับตัวรู้เนี่ยเขาก็สุข เป็นการสงบตามนัยยะของพระาอารหันต์ทั้งหลายที่แปลว่าหักกรรมแห่งสังสารวัฏพลันญาณเคลื่อนรู้มันทำลายกรรมแห่งสังสารวัฏ ก, กรรมแห่งสังสารวัฏคืออะไรคือวิชาคือตัณหาคืออุปาทานแล้วก็คือกรรมวิชาตัณหาอุปาทานกรรมวิชาก็คือวิชาแปะดังกล่าวตัณหาก็คือกรรมมาตัณหา จิตที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากในวัตถุกรรมทั้งหลายเพราะว่าตัญหาจิตที่ดิ้นรนทะเยอทยานอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายอยากเป็นทั้งหลายอยากพบอยากบังเกิดในพบที่ประณีตอยากเป็นเทพบุตรเป็นเทพิดาอยากเป็นพรหมอยากเป็นอะไรแม้แต่อย่างนิพพานนะฮะก็ยังเป็นเพราาว่ตัญหาอยู่เพียงแต่ว่ามันมันเหมือนกับยานพาหนะที่อาศัยขึ้นฝั่งอาศัยข้ามฝั่ง คือเราต้องอาศัยเขาไอกิเลสตัณหาเนี่ยตัณหาเนี่ยทิโรต้องอาศัยเขาเมันกันแต่อาศัยแบบญานพานะที่จะส่งเราขึ้นฝั่งพอถึงฝั่งก็ต้องทิ้งญานพานะถ้าไม่ทิ้งยานพานะก็ขึ้นฝั่งไม่ได้เพราะันพระบาลีท่านบอกว่าอตาหังนิสายะตัณหาปะปะหาตปะปาคืออาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาแต่ว่าบางช่วงเนี้ต้องอาศัยเขา เพราะว่ามันเป็นพลังให้เกิดความการขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายปลายทางเดี๋ยวมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเราข้ามเรือข้ามภากเนี่ยเมื่อถึงตะลิงแล้วเนี่ยเราจะไปยืนอยู่บนเรือไม่ได้ถ้ายืนบนเรือก็ขึ้นฝั่งไม่ได้ถ้าต้องการขึ้นฝั่งก็ทิ้งเรือคือหมายความเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองลักษณะที่ท่านอุ ป, ปมามันก็เป็นอย่างนั้นหมายความว่า เป็นอาศัยแต่ว่าอาศัยเพื่อจะทิ้งอันทีตั้งอุปมาเมื่ออาศัยรถหลายต่อเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางในที่ใดที่หนึ่งในช่วงอาศัยก็อาศัยพอถึงจุดหมายปลายทางถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องทิ้งแล้วอาศัยต่อไปแล้วก็ทิ้งอาศัยต่อไปก็ทิ้งจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการเพรวความสงบนั้นก็คือสงบพวกตันหา กามาตัญหาเพราะว่าตัญหาแล้วก็วิพาตัญหาคือความไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นอะที่จริงมันก็เป็นความรู้สึกที่มันขบเป็นเองคือการที่เราไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นอย่างหนึ่งนี่หมายความว่าเราต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นอย่างอื่นถ้าเป็นอาการเราตัญหาแล้วก็ไม่ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งและเช่นว่าตอนเนี้ยเราไม่มีการมาตัญหา แต่ว่าเรายังมีกิเลสก็แสดงว่าเรามีวิภาวะตัณหาทำแับสิ่งนั้นส่งอาหารมาเราเกิดวิภาวตัณหาคือไม่อยากกินสิ่งนั้นก็แสดงอยากกินสิ่งอื่นตัณหามันเกิดซ้อนตัณหาขึ้นมาแต่พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเขาตัณหากรรมแห่งสังสารวัจจกได้มันมีอารมณ์มายั่วยุยย ว, ยวนโดยประการต่างๆจากข้างนอก รูปสวยๆมีเสียงไพเราะมีกลิ่นหอมๆมีรสอร่อยมีสัมผัสที่น่าจะต้องมายโยยวนด้วยวิธีการใดก็ตามจิตใจท่านจะไม่อ่อนไหวไปตามแรงที่มายโยยยวนเหล่านั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าตัวยานได้ทําลายกิเลสถึงมีชื่อว่าอวิชชาก็ได้ตันหาก็ได้อุปาทานก็ได้แล้วก็กรรมนั้นมันเป็นผลพวงมาจากกิเลส เมื่อเกียดับกรรมที่เป็นอดีตก่อนที่จะบรรลุนะคือหลังจากบรรลุมันดับแต่กรรมที่เป็นอดีตคือก่อนบรรลุมันไม่ได้ดับหรอกมันมันเป็นสิ่งที่สามารถติดตามมาให้ผลได้ตราบเท่าที่ชีวิตของท่านยังมีอยู่แต่เมื่อท่านนิพพานไปก็ถือว่าทุกทุกอย่างก็โหสิ เป็นโหศิกรรมเพราะว่าไม่มีขันเป็นที่รองรับกรรมแล้วเพราะนามรูปมันดับไปเนื่องจากวิญญาณมันดับวิญญาณมันดับเพราะทางขานันมันดับทางขานันดับเพราะวิชามันดับมันก็ดับมาเป็นแถวมาแล้วก็บอกว่าเป็นไปเพื่อเพื่อความรู้ยิ่งความรู้ยิ่งในที่นี้ก็คืออภิญญาอภิญญาหกนะฮะที่ กล่าไว้ในตอนตอนตอน้ตนๆคือมโนโมยิทธิอิทธิวิธิทิททปโสเจโตปรยานมโนโมยิทธิก็คือมีฤทธิ์ทางใจสามารถแยกกายจากกายนี้ไปาจากจากกายกายทิพย์ออกไปในที่ต่างๆได้แล้วก็อิทธิวิธินี่สามารถแสดงฤทธ ซึ่งผิดปกติสามัญธรรมดาที่มนุษย์ตัวทั่วไปก็ทําได้จะเดินบนน้ําแทรกลงไปในดินเหอลอยไปบรอากาศแต่อะไรทําได้แล้วก็ทิพสูตคือหูทิพสามารถน้อมใจไปเพื่อจะฟังเสียงต่างๆทั้งเสียงทิพทั้งเสียงมนุษย์ทั้งเสียงไกลทั้งเสียงใกล้กลนี้ได้แล้วเจตปุปยานรู้จักใจถ่ายใจบุคคลอื่นได้จุตูปปาตยานนะฮะ น, นีเรียกว่าทิพยสุก็ได้ทิพยสุก็คือตาทิพยแล้วก็อาสวัคยานยานในธทําอาสวะให้หมดไปสิ้นไปนั้นก็คือความรู้อันยิ่งแล้วก็เพื่อความรู้ดีก็คือการการจดสู้นะฮะสัมโพทะนี่คือการจดสรู้แล้วก็เพื่อความดับก็ดับเพลิงกิเลสแล้วก็ดับเพลิงทุกนิพพานที่ท่านให้ความหมายไว้ ให้ความหมายไว้ในอริยสัจสี่เนี่ยเราจะไม่ใช่ในธรรมจักรวัตนาสูตรคือจะให้ไว้ไม่มากแต่ว่าในที่อื่นๆเนี่ยจะให้ไปมากในในในธรรมจักรจะให้ไว้ก็ที่จริงก็หลายชื่อเหมือกันนะฮะแต่ว่าที่ที่ตรงตรงตัวจริงๆเนี่ยมีอยู่ห้าชื่อ หกชื่อนะฮะหกชื่อเ็เรียกว่าโยตสาเยวตันหายาเสสะวิรากะนิโรโธความดับโดยสิ้นกำหนัดโดยไม่เหลือแห่งตันหานั้นนั้นทียวอันใดแล้วก็ขยายเป็นวิยพจทธออกมาแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยถ้าเราจับประเด็นก็คือว่า นั่นเป็นการสะท้อนใ้เห็นเรงปัญญาความบริสุทธิ์และความเมตตากรุณาจะเน้นตัวไหนเป็นหลักตัวไหนเป็นรองในะอีกเรื่องหนึ่งแต่จะเน้นอยู่สามเรื่องเนี่ยเช่นสมมุติว่าบทภระกวาอย่างนเน้ น, เ น, น, เน้นบทภระกวาพระกวาแปลว่าจำแนกแจ ก, กจ่ายธรรมแสดงเรงกรุณาคุณแล้วก็ในกรณีที่เรียกว่าผู้มีโชค ก็แสดงถึงบริสุทธิ์หรือว่าผู้มีพระธรรมเนี่ยก็แสดงถึงปัญญาของมโปรง่งหรือพุโทโธเนี่ยก็เหมือนกันนะเราเห็นว่าพุโทโธเนี่ยไปว่ารู้ดื่นเบิกบานว่รู้ก็แสดงหเหตุเึ่งปัญญาขุนตื่นก็แสดงหเหตุหรื่องบริสุทธิ์คุณเบิกบานก็แสดงหเหตุเึ่งปัญญาคุณแม้แต่เป้าประสงค์ของการจัด ก, การศึกษาของ คณะปฏิรูสปรสปสนะฮะที่บอกว่าเก่งดีมีความสุขต้องการพัฒนาคนนะเป็นคนเก่งเป็นคนดีมีความสุขก็ลองสอบถามแล้วเนี่ยก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าหมายความว่ายังไงแต่มาเองมองเห็นว่ามันเป็นพระพุทธคุณแต่เรายังหาที่มาไม่ได้ว่าคนเราเนี่ยเอามาจากไหน บางคนเขาบอกว่าเป็นพระรมราช ว, วาทบางคนบอกว่าเะคุณธรรมบิดก็แนะนำมาแต่ก็ยังยังยังไม่รู้ชัดเจนแต่ว่าเรามองจากความเข้าใจะนะฮะเาเก่งก็คือคนที่มีปัญญามีปัญญามากฉเฉลียวฉลาดมากไว้พิปฏิพานมากเท่าไรเนี่ยมันก็เก่งเท่านั้น แล้วก็ดีก็คือคนที่บริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางใจนะยิ่งบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นแล้วคนที่มีความสุขก็คือคนที่อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นด้วยความเป็นมิตรเนี่ยคือมีมิตรจิตมิตรใจมีมิตรมิตรไมตรีกับบุคคลอื่นไม่มีค้าศึกไม่มีสัตรูไม่มีเวทไม่มีภัยไม่มีอันตรายอะไรกับใครเนี่ยก็แสดงว่าเป็นคนที่มีความสุขก็คือกรุณาคือกรุณาคุณ ่หมายความว่ายังอยู่ในแวดวงของพระรัตนตรยัยยังอยู่แวดวงของพระพุทธคุณเป็นเรื่องตัว อ, อนมโมทนาแต่ปัญหาว่าเขาคิดยังไงเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งยังแต่ว่ายานเครื่องรู้ทั้งหลายที่เกิดขึ้นระดับพระพุทธเจ้าพระหานั้งหลายเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่า มันสะท้อนถึงปัญญาสะท้อนถึงบริสุทธิ์สะท้อนถึงการุณาถ้าหากว่าคนในยุคสมัยของเราสามารถเดินโดยเสด็จรอยขคนบาทของพระองค์พยายามพัฒนาปัญญาขึ้นไปโดยเฉพาะเราอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะทำยังไงว่าข้อมูลข่าวสารนั้นมันควรจะมีสาระมีแก่นพอสมควรในการศึกษาเรียนรู้ ในเรื่องบางเรื่องเราจะเห็นว่ามันเป็นข่าวที่ไม่คุ้มค่าต่อการศึกษาเรียนรู้มันไม่ได้ให้ประโยชน์ไม่ได้สร้างสารรค์อะไรบางครั้งบางคราวเราดูแล้วเป็นการเลือกการปฏิบัติเลือกปฏิบัติหรือทาไปในเรื่องกรณีเดียวกันกรณีหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งกรณีหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งเคยสังเกตมาคราวมานานมาแล้วมีการเสนอข่าวที่เราเห็นว่าไม่ยุติธรรมต่อที่มาของข่าว คือพูดถึงชื่อคนที่ถูกกล่าวหาแล้วก็โยงบอกเป็นญาติสนิทของนักการเมืองสำคัญคนหนึ่งคนหนึ่งทุกครั้งพูดอย่างนั้นทุกครั้งแล้วนั่งฟังเ อ, มเอ้มันเกี่ยวอะไรกันนั่นเกี่ยวอะไรกันถ้านับญาติก็นับไปหมดเลยทำไมมาเลือกนับเอาเฉพาะคนเดียวคือหาความผิดของนักการเมืองที่ตัวเองไม่ชอบไม่ได้ก็เลยโยงความผิด ข้อกล่าวหาของญาติเนี่ยมาสู่นักการเมืองคนนั้นพระพุทท้าวก็จึงสารตัดสินยกฟ้องไม่ลงข่าวแหกนิดนึ่งอันนี้เราจะเห็นว่าเราอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นศัตรูมองด้วยความมาคาดมา ร, ร้ายต้องการเข็นฆ่าทำลายล่างกันขาดเมตตาจิตขาดความยุติธรรมขาดความเที่ยงธรรมขาดความเป็นธรรมแล้วก็แสดงว่าเราเป็นคนดีไหม จามีความสุขไหมจะเป็นคนเก่งไหมมันก็ไม่เก่งไม่ดีไม่มีความสุขเพราะใจิตใจนั้นจะถูกแผาด้วยแรงของความริษยาความแข็งดีความอาคาตพยาบาทแล้วกระบายอารมณ์เหล่านั้นออกมาทางตัวอนกษรทางสืยงต่างแล้วเราก็ไปรับก็ไม่รู้จะรับเอาทำอะไรเหมือนกันเพราแนวตัวนี้จริงๆมันเป็นแนวพระพุทธคุณ ถึงแม้เขาไม่รู้ว่าเป็นแหนบพระพุทธคุณแต่ถ้าเราปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็เข้าสู่พระพุทธคุณได้เช่นเดียวกันท่างฝังทั้งหลายแต่รมปปญยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองงามไพูดย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี